พระพุทธเจ้ากล่นว่านี่ค้อมโลกความโกตคขวมหลงเป็นไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะว่าไฟสามกองเนี่ยมันอยู่ในในใจเท่านั้นไอ้ไ ฟ, ไฟยางย่สังเกตสังเกตดวงัะปันทสิเห็น ถ้าบรสังเกตบ่มซ่อมเดยของมันบ่เห็นป้ายกองหนึ่ก็ได้ยูมันนํำกันแต่พูแต่ออกจาก่อจากแมวมาป้ายเห็นมี่มี่ป้สามกองนึ่งหลังยูน้ำเรื่อยป้ายสามกองเนี่เป็นปห้หอนมันห่อนถ้ามันเกิดเค่องห่อนอกห่อนใจห่อนไปสู่ยางเนี่ะมันห่อนแม่เจ้าของหนึ่ง ตลอดเระก้ังเสือไมเกิดออกมาใหม่มูห่อ น, อ, นออกมากข้างนอกเกิดเป็นไฟมาทังนอกมาใหม่ไฟราคะห่อนพกห่อนใจอยู่หันหละไฟราคะไปถึงหงวงัวจักขั้กล่อมมีราคะมีสัญหาราคะจิตวิวาน ไปราคะกัฟ่อนมันฟ่อนมันหุ้มอยู่ในใจสีรักสี่นอนกับบไดานอนกับบรักขอบมีราคะมีราคะความใคร่ความกำนัดมันมีอยู่ในหันไฟกันีไฟโภสะควมใจใหาควบเพียดควมชั่งมีอยู่ในใจไฟโมหะ ก, กับเพกัอนควมหลงควมหลงควบพ้นหวย ข่วมจักสีเฮ็ดยังโคงชักแน่วสีเฮ็ดงงงันข่วมไฟข่วมหลงเนี่ยเป็นโตัห้อีกตัว น, นึ่งเฮ็ดให้ไฟโทษซั ก, กเกิดเึ็นมะย่อนมันอีกไฟราคะเกิดย่อนคว่วมอืไฟหลงนี่อีกไอ้พญายามพิชรนาห้มันเห็นว่ามีไฟอยู่ในนี้แล้วนะักภาวนาทั้งหลายเนี่ย พันพิจารณาเห็นแล้วนะ่ะย่าเอาแนวยังที่มันเป็นเสื้อเพื่อใส่เข้าไปอีกเียงว่าเพิ่มใส่สำล่วมนี่แหละสำล่วมตาหูจมูกลิ้นสายใจใส่สำล่วมอารมณ์ต่งตงางนๆะสีมาเน่ยใส่สำล่วมให้สังวอนไหวย่าเอามันเข้าไปเติมเสื้อเพื่อในใจสำล่วมตาตาคนจะเห็นรูป เห็นลูกสวยๆแน่หมักหมักนั่นเพื่อนว่าให้สังวอนยัดไปเอาม้าตัดแต่บริจันทร์นเนี่ยแหละคนธารรมดากานเห็นลูกง่วงๆเล่าเอาเขาไปคิดอยู่ในใจบุญละเอาไปคิดอยู่ในใจคิดมากคิดไข่อยู่ในหันนั่นแหละไปเติมไฟแล้วไฟมไันลูกบึ้มๆขึ้นมาหันไฟราดถาดเกิดขึ้นมาและโอ้ย พนอยู่หันหลยมี้อนมันพ่นสิลัดผีนอนสีเต้ามอยกับบ่ใดนั่นแหะใต้ไหมมันแล้วใส้ใหม่ใจโทซ่าคือกันผนว่าให้สังวอนสำร่วมเหียงของมาในหูเขาเว่อนั่นว่อง น, นี่เอาเขาไปละนเอาไปใสกล่องไสไสกระลูกผลไมอี่ดอิ่มไหมเขาเจ้าของเขาคิดเขาใจเจ้าของไอ้หอนอยู่หันหละนี่ พ่อยู่หันเคียดยูนหันมันบอท่านหลายกว่านี้แต่เงพ่อชักน้อยแบพอโค้ดได้แต่มันหลายแบแตกผมว่ามาใหม่มูอใหม่พวกเดียวกันหายใจง่ายระมัดระวังรักษาอย่าเติมเชือเพิ่งมันตกไปอันนี้แหละตะกอนมันจังคพออยูเห็นว่เอาเชือเพิ่งไปเติมมันมันเกิ พ่อขอยอยู่ได้อันนี้เป็นค้นทั่วไปที่ต่ย่างยามอยู่ไปแบกปุซซี่ชนคน้นค้นดีทั้งหลายนึ่งจอยู่แบบนี้แบบอดแบบทนอันกำลังท่วมอดทนตรงมันตรงสางไว้ตรงเสริมตรงขวนขวายตรงพบล่มสั่งสมไว้ ด, ด้กท่มอดทนอขาทนทนอย่างทนแนวมุโอนี่ละ ต้นไฟราคาโตสะโมหะมุนีละตรงอดตรงทนแต่ที่นี่แต่ที่ที่ปาามันอีิริให้เฉลยไอหนี่งไอพาวาน่ากันพาวาน่าเนี่ยมันกสะจดยเคร่องกำลังใจมันกระจดยเคร่องพ่วงเสลียวสลาดอันพอตวางมันสลาดแล้วมันสีเห็นดอกว่าโอ้ไฟมันบวมมันอยู่ผูอื้นมันอยู่ในเฮ่านี้ย่อนหยั่งย่อนค่วมยาก ย้อนขมขูกข่พมพันข่มมัดมนไถ่ะไปูกนี่เจ้าของมาผูกที่บ่ยังมันผู้ได้เอาใจเข้าไปผู่นั่นลาดนั่งว่าจีเห็นโถโตไปขูกเจ้าของก็ว่าูกเจ้าของใบซับของไฟขูกเจ้าของใบซับของโกปวกของเน็นของเนา่าม่นเจ้าของไปขู่ขอเจ้าของใจไปหัน อนตราแลวมันก็จะหัวจากตัวว่าโอ้ยเจ่าดอกเวนี้ดอกไวนมันกะทิมทิมได้โพดได้พลอยได้การปลูกนี่มันโบแมนคือจังไปปลูกปลูกวัวปลูกกล้วยปลูกเงินนั่นเงินนี่เงินไส้นบแมนนั่นกันเลยล่ะมันคือจังเอาอมไม่เอามือไปจับง่าไม่อยู่นี่แหละกานปลูกโบว่างจัดเสื่องการเจ้าของนั่นล่ะต่างต่างเจ้าของเองนั่นแหะว่างยิเองใจเองนั่นะมันโบว่าง คนว่ามันโบดีมันห่อนใหม่เชื่อนี่แต่ก็ยังกำอยู่เชื่อหนักกับใหม่ีครอบแต่กำคองไฟว่อยดึงมันไว้แล้วที่นีคำว่าสลาบแล้วมันก็ว่างว่างคือกันเข้าว่างนาใหม่นี่แหละมันก็ว่างมันก็รุดออกไปมันก็โบใหม่อะมันเศร้าใหม่แล้วไฟว่ไคว่ทงดอกรับหยากดอกแต่ไคว่ทั้งในนี่โอ้ดับยาก นีเลยใช่หรือนีบ่อใดไฝมันไปหนํำมันอยู่ทางในหันไฟทางนอกเอาไฟใหม่วัดหินหมักเองนีไปยุคกรุงเทพมันกับพอใดด้วยมันกัเต้าห่อนเต้าใหม่กันไฝราค้ามหน่ไฝมันกับไปหน่าไปลี่อยู่ในถ้ำเนมันกับไปน่าไปอยู่ไ้ไปนหน่ำมัดเป็นจี๊ดซั่งเธอบินมันกับขึ้นเปนหน่ไฟลาคข้าไโทตากด้วยกัน ไปรีวิวขัวโรกเนือไปลีอวิวสวิตเซอร์แลนด์กระป้ายนั่มเนื้นจ้ะมึงไปนั่มนําไปใหม่แต่เขาใจได้นะเพราะว่าหน้าวิญยร์หน้าเยี่ยสิละเย่าสิตรงใจไปเรื่อยไปหาจะโทษผู้อื่นโทษผู้อื่นเทนต่ผู้อื่นว่าเป็นต้นเหตุที่แสจะคล้องนัน่นแหะเป็นต้นเหตุจะคล้องใหม่จะคล้องจนมาใหม่ว่าแหมมดแล้วยจน ม, มาใหม่มูใหม่สังคม อั น, นี้เรควบเดือดร้อนมันมาจากไส้กรอกนี่แหละไฟ้กรอกนี่ต้นเหตุมันบอกมันอยู่ผู้อื่นอยู่น้าเฒ่านี่รับขึ้นมาใหม่รับขึ้นมารักษารักขึ้นมาดับไฟ้รับขึ้นมาผ่อนไฟ้เจ้าของไว้ทานเฒ่ารักษาไฟ้ถงเฒ่าอย่าไปเสิ่อมเสียเพื่อนทุ่มันเฒ่าก็พออยู่มูสังคมด้วอคมกระเย็นพออยู่ได้ละตั้งใจภาวนาเนี่ย